บวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณที่ป้านาอาทำมุญขอขอ บ, บ, บคุณบวดยกบุญรู้เฉพาะตนโดยดังตรินอย่าคิดว่าผมเป็นชายา3บวชแท้บวดหีใกลบวช ม, มึงเพราะตอนอสติดีแค่ไหนจึงควรบวดบวดละและดีไม่มีเรื่องบุน ในบุญสุขใจต้องสวดมวนไปให้บุญครอบงาำบวดเวลาแล้วได้เป็นลวงที่กรณีเฉพาะตนของดิเรกกลางบุรำอาชีพวิศวกรอาหารลักษณะางานที่ทำํำโรงงานผลิตครีมเทียมแต่ละวันมีลักษณะางานเดิมๆ เป็นกิจวัตรประจำวันเช่นสั่งงานลูกน้องคอยติดตามผลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทำงานเอกสารเล็กน้อยแล้วก็เข้าประชุมรายงานผลและรับงานจากหัวหน้าบ้างคำถามแรก การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวชเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายต้องทำให้ได้หรือไม่ครับผมรู้สึกเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ตอบแทนท่านอย่างถึงที่สุดก่อนพวกท่านจะจากไปแค่ระลึกถึงบุญคุณไม่ปล่อยให้พ่อแม่ทุกข์ใจทําให้พวกท่านมีความสุขเลี้ยงดูไม่ให้พวกท่านต้องลาบาก ก็นับว่าเป็นลูกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีแล้วครับไม่มีใครว่าเอาได้แล้วแต่หากพ่อแม่เราดีมีความเอาใจใส่เลี้ยงดูเราให้เติบโตไม่ต้องเป็นวิญญาณมืดบอดที่เผชิญกับความไม่รู้อยู่ตามลำพังอันนี้ถ้าคิดจะตอบแทนให้สมน้ำสมเนื้อก็นับเป็นเรื่องยากมากน้อยคนในโลกที่จะทำได้พูดง่ายๆคือพ่อแม่ผู้มีบุญคุณบังเกิดกล้าวแก่ลูกนั้น หาได้ทั่วไปแต่ลูกที่สามารถตอบแทนบุญคุณพวกท่านด้วยน้ำหนักเทียมกันนั้นนับแล้วน้อยเต็มทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครับไม่ง่ายเลยที่จะตอบแทนคุณมารดาและบิดาต่อให้ไปไหนมาไหนโดยแบกแม่ด้วยบาข้างหนึ่งแบกพ่อด้วยบาอีกข้างหนึ่งพวกท่านจะอึจะฉี่ก็ทนแบกไว้บนบาอย่างนั้นกับทั้งประครบประงมด้วยการอาบน้านวดเฟน ให้พวกท่านสบายไม่เดือดร้อนถึงร้อยปีขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยหรือต่อให้คุณชิงบ้านชิงเมืองใครมาได้เรายกให้พ่อแม่มีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดินแม้กระนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณพ่อแม่ได้สมน้ำสมเนื้ออยู่ดีเพราะบุญคุณของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเลี้ยงดูคุณให้เติบใหญ่เอาตัวรอดในโลกได้นั้น ยอมมีน้ำหนักเท่ากับชีวิตของคุณเองทั้งชีวิตและจะตอบแทนอย่างไรให้สมน้ำสมเนื้อไทยเราจะนึกถึงการบวชทดแทนคุณแต่ความจริงก็คือพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเอาไว้ที่ไหนว่าให้ตอบแทนพ่อแม่ด้วยการบวชท่านตรัสว่าที่จะได้ชื่อว่าตอบแทนพ่อแม่คือการเปลี่ยนความเห็นผิดในพวกท่าน ให้กลายเป็นความเห็นที่ถูกที่ชอบเสียได้เพื่อจะไม่ต้องถึงความวิบัติด้วยความเป็นคนเดิมของพวกท่านแล้วถึงความเจริญเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้ด้วยความเป็นคนใหม่เสียแทนอย่างเช่นถ้าพวกท่านไม่มีศรัทธาในบาปบุญคุณโทษคุณก็พยายามทำให้พวกท่านมีศรัทธาในบาปบุญคุณโทษถ้าพวกท่านเป็นผู้ทุศีน คุณก็พยายามทำให้พวกท่านเป็นผู้ยินดีรักษาศีลถ้าพวกท่านตรณีทีเหนียวนัดคุณก็พยายามทำให้พวกท่านรักจะมีน้ำใจเสียสละเป็นต้นพูดง่ายทำยากพ่อแม่เห็นลูกเป็นเด็กเสมอคุณต้องระลึกว่าการพยายามเปลี่ยนใจท่านนั้นต้องไม่ใช่ด้วยการสั่งสอน ไม่ใช่ด้วยการชี้ผิดชี้ถูกตรงๆงเพราะคงไม่มีพ่อแม่ที่ไหนยอมลูกง่ายๆบางคนนะครับอยากให้พ่อแม่ถือศีลพอพ่อแม่ไม่ทำตามก็ขัดใจใช้วิธีบังคับขู่ตะคอกหรือเพล而这ดุด่าพวกท่านเข้าให้ซึ่งแทนที่จะได้บุญเลยกลับกลายเป็นบาปลงเอ่ยไม่มีใครได้ดีสักคน การชักจูงพ่อแม่เข้าสู่ทางสว่างยังมีอุบายอีกมากมายนักถ้าความดีของคุณยิ่งใหญ่พอก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่อยากดีตามได้และถ้าคุณเจริญสติได้ผลมากพอก็อาจเหนี่ยวนําให้พ่อแม่อยากเจริญสติตามไปด้วยการบวชก็เป็นอุบายชักนําที่ดีอย่างหนึ่งถ้าบวชเป็นพระดี ชักนำให้พวกท่านเข้าวัดไปปลื้มในตัวลูกผู้มีความดีอย่างพระคุณก็อาจเสมือนแม่เหล็กแห่งความดีงามที่ดึงดูดพวกท่านเข้ามาติดได้ไม่ว่าจะอาศัยบรรยากาศวัดการเทศในวัดครูบาอาจารย์ในวัดก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่คุณมีส่วนชักนำมาสู่พ่อแม่ทั้งนั้นแต่ถ้าพ่อแม่ของคุณดีพร้อมครบเครื่องอยู่แล้ว ทั้งในแง่ของศรัทธาเลื่อมใสในทางถูกทางตรงเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้มีน้ำใจในการบริจาคอันนี้สิ่งเดียวที่ยังเหลือให้ตอบแทนท่านก็คงเป็นการชักชวนกันเจริญสตินั่นเองบางคนแค่เอาซีดีหรือหนังสือไปวางวางล่อตาก็พาพ่อแม่เข้าสู่ประโยชน์สูงสุดที่ได้พบพุทธศาสนาได้แล้วสรุปคือเพื่อจะตอบแทนพ่อแม่ อย่าคิดเป็นสูตรสำเร็จว่าลูกผู้ชายต้องบวชคนบวชแบบหลงๆก็พลอยพาพ่อแม่ลงนรกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการมากมายนั่นยอมไม่เรียกว่าเป็นการตอบแทนส่วนคนไม่เคยบวชอาจช่วยให้พ่อแม่เข้าใจทางถูกทางตรงนั่นนับเป็นการตอบแทนตามเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสได้แล้ว คำถามที่สองก่อนบวชควรจะเจริญสติถึงขั้นตอนไหนครับผมอ่านและฟังมามากแต่ก็ยังคงสงสัยอยู่ร่ำไปถ้าว่ากันตามหลักการขอเพียงมีใจจริงกับทั้งเข้าใจให้ถูกต้องว่าบวชเข้าไปแล้วจะต้องเจริญสติกันท่าไหน เท่านี้ก็นับว่าสมควรแก่การบวชแล้วครับเพราะวัดเปรียบเหมือนโรงผลิตพระอรหันต์หากได้วัตถุดิบดีก็ไปเริ่มกระบวนการผลิตแบบนับหนึ่งกันในวัดได้ไม่จำเป็นต้องเจ๋งแน่แก่กล้ามาจากนอกเขตวัดเสียก่อนแต่ถ้าว่ากันตามอุดมคติเราควรเป็นพระให้ได้ก่อนบวชหมายความว่าคุณควรคิดอย่างพระพูดอย่างพระทาอย่างพระ ให้ได้ก่อนงานอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วจะได้เป็นพระเต็มตัวตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่เข้าวัดอย่างไม่รู้อะไรเลยไม่เป็นงานอะไรเลยถึงห่มจีวรก็เหมือนเป็นพระแค่เครื่องนอกเท่านั้นเครื่องในยังไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณได้คิดอย่างพระพูดอย่างพระและทำอย่างพระนั้น นอกจากศึกษาพระวินัยจากหนังสือนวโกวาดให้ดีแล้วก็เห็นจะเป็นการเจริญสตินั่นเองการเจริญสติที่ไม่ทำให้สงสัยก็คือการมีสตินับหนึ่งที่ตัวความเป็นคุณในบัดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พยายามมีสตินับหนึ่งตามคนอื่นในวันหน้าขอให้สังเกตจากจิตตัวเองการทำงานทางโลกจะให้ผลอย่างนี้ ยิ่งอาศัยความเคยชินในการทำงานมากขึ้นเท่าไรจิตจะใกล้กับความเมื่อยลอยมากขึ้นเท่านั้นแต่ยิ่งอาศัยการคิดใหม่ทำใหม่มากขึ้นเท่าไรจิตจะยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้นในกรณีของคุณเมื่อถึงจังหวะต้องจริงจังต้องตรวจสอบระมัดระวัง หรือต้องเสนอความคิดแก้ปัญหาก็อาจฟุงฟ้งๆเครียดๆขึ้นมาหน่อยๆแต่อาศัยอำนาจความเคยชินรู้ลู่ทางดีอยู่แล้วก็คงไม่ถึงกับยุ่งเหยิงคุมไม่ติดพอเสร็จจากงานให้ยอมรับตามจริงว่ากำลังฟุงฟ้งๆยุงย่งๆอยู่ในหัวหรือเครียดอยู่หน่อยๆทันทีที่ยอมรับตามจริงรู้ตามจริงถึงสภาพตึงเครียดเล็กๆน้ำหนักความคิดอึงอ้งๆในหัว หรือความอึดอัดหน่อยๆในอกจะรู้สึกว่าคุณเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่แปลกแยกไม่แตกต่างเป็นส่วนหนึ่งในตัวคุณแต่เมื่อเห็นว่ามันคลี่คลายลงเป็นความเบาสบายคลี่คลายความอึดอัดในเวลาต่อมาคุณจะรู้สึกว่าได้เห็นอะไรอีกอย่างที่แตกต่างไปน้ำหนักความตึงเครียดเดิมไม่ใช่ส่วนหนึ่งในตัวคุณอีกแล้ว แต่เมื่อต้องทำงานในโหมดชินชาไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียมากนักคุณจะเห็นจิตมีลักษณะเรื่อยเฉยไม่ต่างจากตอนอาบน้ำแปลงฟันระหว่างนั้นคุณจะพบว่าไม่ควรหายใจทิ้งเปล่าทำงานทั้งโลกไปด้วยรู้ลมหายใจเป็นพักๆไปด้วยก็ได้คือไม่ใช่พยายามตามลมเข้าออกให้ต่อเนื่องนะครับแต่หัดรู้สึกตัวว่าใจเริ่มลอยไปมากแล้ว ต้องป้อนเครื่องเลี้ยงสติบ้างแล้วตรงนั้นก็ระลึกสักหน่อยว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเพียงรู้ได้บ่อยๆก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกเจริญสติแล้วขอให้คหํานึงด้วยว่าถ้ารู้เฉยเฉยว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกอันนั้นเรียกว่ามีสติอย่างคนธรรมดาแต่หากมีความเข้าใจในทุกการรู้ลม ว่า น, นิสักแต่เป็นธาตุลมไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวคุณเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปออกไปแล้วต้องเข้ามาใหม่เป็นคนละชุดอันนี้แหละคือการมีสติอย่างนักเจริญสติตามรอยบาทพระศาสดาอย่าคาดหวังจะเอาที่ทำงานเป็นวัดแต่ขณะเดียวกันก็อย่าปล่อยให้ที่ทำงานเป็นเขตห้ามเจริญสติเท่านี้ก็ถือว่า คุณเตรียนตัวเป็นพระก่อนบวดอย่างเต็มภาคภูมิแล้วอยากคิดว่าผมเป็นชายสามโทษใช่บวดมีไกลบวดมึงพระไทยเพื่อความสุขล้ำบวดพระและดีไม่มีเรื่องบุญใ้บุญสุขใจต้องสวดมวนไปให้บุญครวบงำ บวชแล้วได้เป็นหลวงพี่ทาสบายดีขอบวชอย่างชีวิตต้องรูดอย่างเราใครนอใครเราเข้าใจซึ่งในรู้เฉพาะตนตอนความเครียด จ, จากพายุขยะคอพยายบาลคนดี มม่งานนนจะไีีค้ทพกรณีเฉพาะตนของสรวัตรแจค็คอาชีพตำรวจหน้าที่ตำรวจไทยแลนงานเยอะจนแน่นหนักเรือมอนเรือลักษณะางานที่ทำเป็นพนักงานสอบสวนต้องคอยชี้ผิดชี้ถูก เช่นคนทะเลาะกันจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วตกลงกันไม่ได้ก็มาที่เราแต่หลายครั้งเราตัดสินก็ไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับจนเราต้องร่วมทะเลาะและพลอยกลายเป็นคู่กรณีฝ่ายที่สามไปเลยเพื่อนบางคนเครียดง่ายโดนลาไปติดร่างแห่บ่อยเข้าถึงกับเดินขึ้นแฟลตค่าตัวตายหนีปัญหาไปเลยก็เคยมีโอกาสพักผ่อนมีน้อยเพราะในท้องที่ต้องทําคดีติ ด, ต, ดติดกันแทบไม่หายใจใหายคอ เจอคดีวันหนึ่งรวมเป็นสิรับสำนวนหนึ่งมากกว่าจะทำเสร็จก็ไม่ใช่วันเดียวแถมยังจอมาถล่มมาอีกหลายสำนวนถ้าจัดระเบียบชีวิตไม่ดีก็เสร็จแม้แต่ไปเที่ยวก็ต้องแบกสำนวนติดหัวไปด้วยเพราะเหมือนงานเป็นดินพอกหางหมูไม่รู้จบแถมแต่ละวันจะถูกแบ่งว่าต้องเข้าเวรจราจรหรือเวรอาญาซึ่งมีสิทธิต้องออกไปที่เกิดเหตุเพื่อดูของจริงเกือบทั้งสิน้นแทบไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะเลย ำำ ค, คำถามแรกลักษณะงานที่หนักแบบนี้ควรจเจริญสติแบบใดดีครับ ตำรวจเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องเผชิญกับพายุขยะมากที่สุดโดยเฉพาะตำรวจที่ต้องรับผิดชอบประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราชของจริงแถมเท่าที่ทราบคือต่อไปจะมีการแบ่งสายร้อยเวรให้เป็นวิชาชีพพนักงานสอบสวนไปเลยพูดง่ายๆคืออาจมีคนได้เป็นร้อยเวรไปเรื่อยๆโดยไม่มีการพลัดเปลี่ยนหมุนเวนียนแต่ได้ขวัญและกำลังใจเป็นการเลื่อนยศตำแหน่ง ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตเป็นกำนันแต่อย่างใดแล้วบางคนนะครับกลับบ้านแทนที่จะได้พักผ่อนอยังต้องเจอปัญหาครอบครัวซ้ำเติมเข้าให้อีกโดยที่ลูกเมีย จ, จะไม่รับรู้หรือไม่เข้าใจว่าช่วงกลางวันหัวหน้าครอบครัวต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้างเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้พอมาพิจารณาในแง่ของการเจริญสติก็ต้องยอมรับว่า ตำรวจที่ยศยังไม่สูงมากนักมีตัวขัดขวางความเจริญของสติค่อนข้างหนักซึ่งตามหลักวิธีเจริญสติของพระพุทธเจ้าแล้วถ้ามีตัวการที่ทำให้ขาดสติหนักๆสติก็เจริญขึ้นไม่ได้จนกว่าเราจะกำจัดตัวการดังกล่าวเสียก่อนสำหรับกรณีของคุณผมขอแบ่งตัว่วงความเจริญออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆคือ 1. ความพยาบาทคืออาการผูกใจเจ็บถ้าคุณรู้สึกเกลียดโจรหรือหมั่นไส้สุจริตชนที่พูดเอาแต่ได้อยาชนะคดีลูกเดียวเฝ้าคิดถึงพวกเขาในทางลบอยู่ไม่เลิกอันนั้นแหละความพยาบาทไม่อาจให้อภัยผู้มีความผูกพยาบาทโดยไม่คิดทำอะไรยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้ขาดสติเกือบตลอดเวลาเพราะความพยาบาทเป็นของเสียดแทงใจ มีความรู้สึกคาใจไม่เลิกย่อมกดสติไว้ไม่ให้รู้เห็นเรื่องเฉพาะหน้าตามจริงได้ข้อธรรมเพื่อกำจัดความพยาบาทนั้นเบื้องตนพระพุทธเจ้าให้ลองตั้งสติรู้ดูก่อนดูซิว่าลักษณะของความพยาบาทเป็นอย่างไรจะพบว่ามันเริ่มจากการนึกถึงคู่กรณีของคุณ แล้วเกิดความคับข้องเจ็บใจในแบบที่ทำให้แน่นหน้าอกหรือเกรงทื่ไปทั้งตัวคล้ายถูกล็อกให้แช่แข็งไปชั่วขณะต่อเมื่อเกิดสติรู้ความจริงว่ากําลังแน่นหน้าอกหรือตัวเกรงทื่อความคิดถึงคู่กรณีจะหายไปและเมื่อเลิกนึกถึงคู่กรณีเสียได้กายใจก็จะผ่อนคลายลงกลับสู่สภาวะปกติเกือบทันทีพอมีสติบ่อย คุณจะเห็นความจริงว่าที่ความพยาบาทยังอยู่ได้นั้นก็เพราะคุณนึกถึงคู่กรณีไม่เลิกแค่เลิกนึกถึงคู่กรณีความพยาบาทก็จางลงหรือหายไปพูดสั้นๆคือความพยาบาทเกิดจากเหตุเมื่อเหตุหายความพยาบาทก็พลอยหายไปด้วยข้อสำคัญคือคุณจะได้เห็นความไม่เที่ยงภาวะพยาบาททนตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปราศจากอาหารหล่อเลี้ยง ความเห็นนี้จะนําไปสู่การรู้ตามจริงว่าความพยาบาทไม่ต้องมีก็ได้มันไม่ใช่ตัวคุณและก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคุณด้วยแต่หากคราวใดตั้งสติรู้ความพยาบาทไม่ไหวเพราะแรงพยาบาทเกินกําลังสติพระพุทธเจ้าก็ทรงให้แผ่เมตตาเริ่มจากการพิจารณาว่าความพยาบาทเป็นโรคเป็นสิ่งกัดกินใจให้อิดโอยเปล่า หากหายจากโรคเสียได้ก็จะกลับมีกำลังวังชาใหม่ปลอดโปร่งแจม่มใสดีกว่ากันเยอะคิดตามจริงเช่นนี้ย่อมเกิดกำลังใจให้อภัยคู่กรณีเหมือนคนพร้อมจะลอยขยะทิ้งซึ่งผลที่ตามมาจะเป็นความสุขอันเกิดจากความปลอดโปร่งโล่งอกณนะจุดนั้นให้รู้สึกตามจริงถึงความสุขสุขแค่ไหนรู้แค่นั้นอย่าไปเร่งให้เกินจริง แล้วความสุขจะค่อยๆแผ่ขยายวงกว้างออกไปนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตายิ่งแผ่บ่อยก็จะพบว่ากระแสเมตตาตั้งมั่นเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆและเอาชนะความพยาบาทได้ง่ายขึ้นทุกที 2. ความเครียดคืออาการขมวดตึงคัดแน่นทางกายคลายออกยากอันเป็นผลมาจากความฟุ้งซ่านจัดอย่างต่อเนื่องความฟุ้งซ่านจัดย่อมไม่เกิดขึ้นเองแต่ไหลามาจากความกังวลความหมกมุ่นครุ่นคิดตลอดจนการทำงานหนักเกินไปกระทั่งกายใจปั่นป่วนยุ่งเหยิง ข้อธรรมเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านจัดนั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าให้ลองรู้ตามจริงดูก่อนดูซิว่าลักษณะของความฟุ้งซ่านจัดเป็นอย่างไรบางคนจะเหมือนมีพายุหมุนติ้วอยู่ในหัวบางคนจะเหมือนจิตกระเจิดกระเจิงแตกซ่านคุมไม่ติดหากมองมาในอกจะรู้สึกเหมือนมีเชือกที่ถูกบิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปมต่อเมื่อภาวะเครียดถูกรู้ด้วยสติ คุณจะเห็นภาวะเครียดคลายลงดุจเดียวกับเชือกที่คลายปมและคลายอาการบิดลงเป็นปกติแต่หากคราวใดตั้งสติรู้ความเครียดหรือความฟุ้งซ่านจัดไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็ส่งให้หาความสงบทางใจทำอะไรแล้วสงบใจก็ทำไปจะเดินเล่นเพื่อเห็นต้นไม้เย็นตาก็ได้จะหาที่สงบสวดมน์ก็ได้จะอ่านหนังสือธรรมะก็ได้ หรือให้ง่ายกว่านั้นคือหันมาดูลมหายใจซึ่งมีติดตัวอยู่ตลอดเวลาหายใจช้าๆให้สบายที่สุดเข้าถึงปอดลึกที่สุดแล้วค่อยๆผ่อนระบายอย่างไม่เร่งร้อนเพียงสองสามระลอกลมหายใจกายใจจะสบายขึ้นถ้าเครียดเรื่อยๆก็แปลว่ามีโอกาสฝึกหายใจเรื่อยๆ อาศัยความมีวินัยและจิตใจที่มั่นคงแบบตำรวจคุณจะเคยชินและคงเส้นคงวาขึ้นวันต่อวันและพบความจริงว่าด้วยการปฏิบัติง่ายๆแค่นี้จิตก็เกิดสมาธิชั้นดีในระหว่างวันได้แล้ว คำถามที่2ออาศัยหลักปฏิบัติคือเมื่อเครียดก็รู้ว่าเครียดแต่พอรู้แล้วความเครียดยังคงอยู่อย่างนี้แปลว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับอาการของจิตนั้นมีหลากหลายส่วนใหญ่คนจะนึกว่าแค่ตั้งใจรับรู้สิ่งใดเมื่อนั้นตนเองก็มีสติแล้ว ความจริงก็คือถ้าคุณเครียดแล้วจดจ้องความเครียดอันนั้นไม่ถือว่ามีสติรู้นะครับแต่เป็นการเลี้ยงความเครียดหรือกระทั่งเสริมความเครียดให้หนักเข้าไปใหญ่วิธีง่ายที่สุดที่จะแน่ใจว่าคุณมีสติรู้ความเครียดคือย้อนกลับมารู้เสก่อนว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถไหนเช่นนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ออกแรงให้น้อยที่สุดเพื่อจะระลึกว่ากาลังนั่งอยู่ จากนั้นจึงดูว่าในท่านั่งนั้นมีหรือไม่มีความเครียดความตึงแน่นความฟุ้งซ่านปั่นป่วนอยู่ในหัวหรือในอกหาสติของคุณเกิดขึ้นอย่างถูกต้องอาการผิดปกติทั้งทางใจและทางกายจะค่อยๆจางไปหรือหายไปทันทีเมื่อหายไปคุณก็เห็นอิริยาบถเดิมต่อ เห็นเป็นท่านั่งที่ปราศจากความเครียดความตึงแน่นหรือความฟุ้งซ่านปั่นป่วนใดๆสติไม่หายตามไปด้วยพูดง่ายๆคือถ้าเอาอิริยาบถเป็นฐานคุณจะได้ฐานความรู้สึกตัวที่มั่นคงและสามารถต่อยอดเป็นการรู้ลักษณะทางใจได้ด้วยความเชื่อมั่นว่าถูกต้องครับนี่แหละ คือประโยชน์ของการเจริญสติตามลำดับขั้นตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจกระจ่างตลอดสายก็ปฏิบัติไม่พลาดแน่บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่36อ่านโดยโจโฉ